ถ้าเขาบอกว่าตาก็เหมือนหูเพราะตาเขาเห็นได้หูก็เห็นได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าตาก็เหมือนกับหูใช่ไหมเหมือนอยังไงก็มันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมบอกใช่เพราะฉะนั้นก็ได้ว่าจับให้มั่นก่อนว่าไอ้ที่เขาถามเนี่เขาอยากรู้อะไรวันก่อนเนี่ยแหมเสียหายมากเลยไปตอบคําถามเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยชีวิตนี่มันของใครเขาว่างั้นเป็นของพ่อแม่หรือว่าเป็นของตัวเองชีวิตนะ เป็นของพ่อแม่หรือเป็นของตัวเองโอ้โหเรานี่ตอบใหญ่เลยนะมันจะว่าใครชีวิตมันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไม่ใช่ของใครมันก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อะไรหนูไม่ได้ถามอย่างนั้นก่อนอันถามว่ายัางไงคือเขาบอกว่าเช่นเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วมาสายเนี่ยอ่ามันมันเป็นสิทธิของเราหรือเป็นสิทธิของพ่อแม่บอกไอ้เราก็รีตอบมากที่ไหนได้อ้าวก็ว่าเป็นเรื่องเรื่องไปมั้งเนี่ยนะ คือบางเรื่องมันอำ น, นาจตัดสินใจเป็นเรื่องของตัวเองไม่เกี่ยวกับพ่อแม่หรอกอนะเช่นว่าอะไรนะเราหิวจะดื่มน้ําหรือไม่ดื่มน้ําเนี่ยเป็นสิทธิของพ่อแม่หรือสิทธิของเราอย่างเงี้ยเราหิวแล้วน้ําก็มีไม่ต้องปรึกษาพ่อแม่หรอกเฉพาะแค่นี้ก็ดื่มไปเองเถอะไม่ต้องไปขออนุญาตเพราะว่ามันอะไรนะมันถ้าเป็นแบบธรรมดาเหตุผลง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกมันเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ถ้าบางอย่างก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นเขาก็จะทำปัญหาแค่นี้แหละเราก็ไปตอบซะใหญ่ายายโตเลยนะ ชีวิตเนี่ยมันของใครกว่างั้นเป็นของตัวเองหรือเป็นของพ่อของแม่เสียหายมากเลยวันนะั้นเพราะฉะนั้นบางพีก็ต้องพยายามถามให้ดีๆไปที่เขาถามเนี่ยถามเรื่องอะไรเขาอยากรู้อะไรเนี่ยนะต้องทวนตอบทวนถามให้มันชัดๆก่อนนะไม่ตอบรีบตอบแล้วก็แหมเผลอไปตอบง่ายๆเนี่เ ส, สียพระเสียเจ้าหมดอ่ะนะนนะเพราะเขาเขาไม่ได้อยากรู้อย่างนั้นหรอกจะตอบซะใหญ่โตเลยว่างันโนอะ้ ต้องให้ดีๆนะครับต้องพยายามโดยเฉพาะคนที่รีบตอบปัญหาธรรมะใครพูดอะไรอูย้ยตอบอะไรทุกเรื่องนะครับทีก็ต้องฟังให้ดีๆว่าเขาถามเรื่องอะไรเขาถามว่าอะไรเขาอยากรู้อะไรและคําถามเหล่านั้นมีอะไรเป็นเบื้องหลังเรียกว่าจับให้มันเหมาะก่อนเหมือนก็เรียกว่าอะไรนะใช้ให้ไปเอาของเนี่ยนะมันจะต้องถามให้ดีๆนะว่าเขาใช้ให้ไปเอาอะไรกันแน่ หรือว่าใช้ให้ไปปฏิบัติการเนี่ยบอกเรียบร้อยครับเจ้านายไงอะไรมันเรียบร้อยมันคนลเรื่องเลยไอ้ตรงที่ห้ามก็กลับไปทำํำใ้สิ่งที่ให้ทําก็กลับไม่ทําไอ้เรียบร้อยเหมือนกันมาเรียบร้อยเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นต้องทบทวนคําถามทบทวนคําสั่งเหล่านี้ให้ให้ดีๆคําว่าปฏิบัติฉาพยาการณียปัญหาก็คือรู้จักว่าสอบสวนให้มันชัดเจนเรื่องที่เราสั่งกับคําที่เขารับมันเหมือนกันไหมไอ้คาที่เขารับกับเรื่องที่เราสั่งนี่มันเรื่องเดียวกันไหม มันชาติใช้งานคนเนี่ยก็ต้องดูว่าอาถ้าเราสั่งอะไรออกไปเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งที่เราสั่งไหมหรือว่าเขาก็เข้าใจอย่างหนึ่งไอเราเองก็เข้าใจอย่างหนึ่งเราก็พูดเพราะเราคิดมาตั้งสามวันสามคืนแล้วเออนี้ใช่แหละเลยสั่งไปหนึ่งคำก็คิดว่าเขาเข้าใจเหมือนเราบอกเอา้าเขาไม่เคยได้ยินมันเขาจะคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องสอบสวนให้มันดีๆเนี่ยนะทุกเรื่องก็ต้องพยายามสอบสวนให้ดีว่าเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเป็นแบบตัวเขาจะมีแบบหัวกับท้ายให้มันแบบฟอร์มมันเหมือนกันนะถ้าตัวมันจะมีหัวมีท้ายเรียกว่าให้มันเข้ากันได้เพราะบางเรื่องนี้มันไม่เข้ากันเลยแล้วก็อย่าไปเมาเอาว่าเขาคิดเหมือนเราแล้วก็อย่าไปแบบรู้แล้วเนี่ยว่าเขาต้องคิดเหมือนเราไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะบางอย่างอาจจะคล้ายแต่ว่าไม่ใช่เหมือนไม่ใช่บล็อกเดียวกันมาไม่ใช่หรอกความคิดไม่ใช่มาจากบล็อกเดียวกันเนี่ยปัจจัยมันเยอะมากมายพันจะต้องสอบสวนเรียกว่า หาความชัดเจนให้มันลงนะนะหาความชัดเจนให้ลงเปรียบเหมือนอะไรนะก็นึกว่าเป็นอย่างที่เราคิดบอกไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่เราไปถอนฟันนะถอนผิดซี่ก็เพราะอย่างนี้แหละว่าหมอเข้าใจไว้อย่างหนึ่งคนไข้เข้าใจไว่อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคนละอย่างก็เลยหมดฟันไปฟรีข้างหนึ่งแล้วถอนฟรีก็แล้วกันหมอไม่คิดกา ย, ยาเนี่ยนะเสียหายมากนะจะฟ้องเอาแบบนี้นแล้ถ้าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เราต้องสอบสวนให้มันชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่อย่างนั้นก็ เสียหายโดยเฉพาะอะไรที่มันเสียแล้วเสียเลยเนี่ยมันไม่มีโอกาสมันจะต้องสํารวจแล้วก็สอบสวนให้ดีๆแล้วก็สอบสวนให้ชัดเจนอันนี้เรียกว่าปฏิพยาปฏิปุจฉาพยาการณียปัญหาสอบสวนให้มันชัดเจนไเล ย, เลยว่ามันมันคืออะไรเรื่องมันไปอะไรอย่าไปถือเอาโดยพยัญชนะส่วนเดียวหรืออย่าไปถือเอาแต่โดยอัถะส่วนเดียวก็อสอบสวนให้ดีๆ นี่ข้อสุดท้ายถ้าปัยปัญหาถ้ามาถามถามาชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องตอบนั่นนะมันเรียกว่าเออไฟนี่มันไฟเนี่ยนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายควรจะคุยด้วยไหมอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าใครคุยด้วยก็หนักกว่าคนนั้นเยอะเนี่ยนะถ้ายังไปตอบปัญหาประเภทนี้ได้นะนะเออเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยนะ อ, อในนั้นเนี่ยนะดอกกุหลาบเนี่ยถ้ามันเชฉาไปแล้วมันเกิดใหม่ได้ไหม นะแล้วใครไปเกิดมีใครอยู่ในดอกกุหลาบไหมดอกกุหลาบเนี่ยมันมีชีวะไหมตายแล้วมันเกิดอีกไหมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าใครไปนั่งตอบปัญหาประเภทนี้เนี่ยจะมีอะไรนอกจากว่าหนักกวไอ้คนที่ถามอีกนะเพราะฉะนั้นปัญหาประเภทนี้ไม่ต้องตอบหรอกเนี่ยนะก็แล้วกับปัญหาของคนที่ทิฏฐิวิปลาดเนี่ยนะมีความวิบัติทางทิฏฐิเข้าใจเรื่องทิฏฐิซะ คลาดเคลื่อนเป็นต้นอันนี้ไม่ต้องคุยเนี่ยนะตอบง่ายนี่เตียบอกนิ่งเงีนะนิ่งซะหรือไม่ก็ไปคุยอะไรอย่างอื่นก็ได้เนี่ยนะ <S <S ท่านข้าวมาหรือยังก็ได้ยังไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปคุยหลักประเด็นนี้เพราะบางประเด็นไม่ใช่ว่าแหมรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องพูดเสร็จแล้ววันบางทีเนี่ยนะยางคือพวกกลุ่มมิจฉาทิฐิเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าชีพก็อันนั้นศรีระก็อันนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นพวกนี้ถ้าตอบบอกใช่อุเฉททิฐิถ้าตอบว่าไม่ใช่สัจจะทิฐิ ตอบอันไหนมันก็เข้าทิฏฐิอันใดอันหนึ่งอะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบมันมันดีที่สุดแปลว่าพูดยังไงก็เสียตังเพราะฉะนั้นนิ่งซะไม่ต้องเสียตังอะนะแค่ๆถ้าพูดแบบทางโลกเขาบอกว่าถ้าพูดนะถ้าเออหรือไม่เ อ, อเนี่ยนะคือตอบว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็เสียนะซ้ายหรือขวา ม, มันก็ผิดหมดนี่ทําไงไมันต้งพูดอะไรสักอย่างเนี่ยนะแก้ปัญหากลับลําเถอะว่างั้นนะอันนี้กลุ่มที่สามเาเรียกว่าต้องดูตามพยา ปัญหาพยากรสี่เขาเรียกว่าการตอบปัญหาสี่ประเภทนี้ต่อไปก็อ้างสูตรสูตรสุตานุโลมออสูตรสุตานุโลมอจารีวาตและอัตโนมติเพราะฉะนั้นสูตรก็คืออะไรคือปิดกสามที่ยกขึ้นสู่สังคีติสามส่วนอัตกะทาชื่อว่าอจารยาวาทหรือว่าเหล่าดีผู้ที่ตามปฏิพันธ์ของตนอันนี้เรียกว่าอัตโนมติหรือกลุ่มดีกาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นวิธีอันดับแรกนั่นหนึ่งถ้าเป็นสมัยใหม่คิดง่ายๆหนึ่งขัดกับพระไตรปิฎกไหม 2. องอไม่ขัดกับพระไตรปิฎกแล้วสขัดกับอัตถะไหมขัดกับพระไตรปิฎกอัตถาและดีกาเป็นต้นไหมแค่ว่าเอาพระไตรปิฎกอัตถาดีกาและก็โยชนาเป็นต้นสํารวจตรวจสอบดูเพรามันถ้าเป็นไปตามนั้นก็ใช้ได้ถูกต้องเพราะโดยหลักการน้องคําสอนไม่ขัดกันเองเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าองค์เดียวสอนเนี่ยจะไม่ขัดกันเอง คำอธิบายของผู้ที่เห็นทำตามพระพุทธเจ้าจะไม่ขัดกันเองถ้าขัดกันเองเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจ อ, นอันนี้เป็นหลักการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเฉพาะที่มาในสังคีติที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นสู่พระไตรปิฎกเนี่ยนะนี่ก็ในที่เมืองโผค้านนคระนะโพค้านครที่พระองค์แสดง มหาประเทศสีเนี่ยนะถึงณนะที่นั้นได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอนันทเจดีในโพคานคอนนั้นทรงทร ม, มีกถฐานี่แหละเป็นอันมากแกพระสูตทั้งหลายว ส, เยนะปปสีเป็นอย่างนี้นะก็คือจตุปาริสุทธิศีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ สมาธิทั้งอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาทั้งหลายคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานัทชนวิสุทธิปฏิปทายานัทชนวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือวิสุทธิทั้งเจ็ดเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ มัคคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากมัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากมัคคจิตผลจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบนะก็จะพ้นจากการ ม, มาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่มพระสูตรเนี่ยยกมาในมหาปริญนิพานสูตรกี่ที่ละยกมาเก้าครั้งแล้วนะ เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเขามีบางกลุ่มบางลัทธิปฏิเสธว่าศีลสมาธิปัญญาไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ทราบว่าเขาใช้พระไตรปิฎกฉบับไหนไม่ทราบอันนั้ฉบับเขียนขึ้นมาเองอาจจะใช่เขาบอกไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกถึงกับบางท่านเคยถามว่าท่านไปหาว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนพระไตรปิฎกบอกอ้อ่านพระไตรปิฎกอ่านตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ไม่ทราบจะงงกันเนี่ย ถ้าอ่านตอนกลางคืน อ, อาจจะมองไม่เห็นตัวหนังสือบอกเออใช่ไม่มีหลอกศีลสมาธิปัญญาในพระไตรปิฎกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมากเนี่ยนะมากจริงๆจะมาโดยศัพว์ตรงๆหรือไม่มาตรงๆคิดง่ายๆว่าศีลเป็นอย่างนี้ศีลมีอยู่ด้วยประการชนิดสมาธิมีด้วยประการชนิดปัญญามีอยู่ด้วยประการชนิดนะดูได้เลยในข้อสองร้อยสี่สิบเจ็ดขอไปหน้าสองอยสี่ิบเจ็ดนี้เป็น กลุ่มที่หนึ่งไม่ใช่ผู้ตรัสครั้งเดียวส่วนกลุ่มที่สองในหน้าสองร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะกลุ่มที่สามหน้าสองร้อยห้าสิบเอ็ดกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่หน้าสองร้อยหกสิบเอดเนี่ยนะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าหน้าอะไรกลุ่มที่ห้าหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยนะ นะกลุ่มที่ห้าหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าขอโทษขอโทษไม่ใช่กลุ่มที่ 5, ห้าบอกไปยังนะโทษโทษินทำไมนะกลุ่มที่สามหน้าสองรนะ้อยห้าสิบเอนะ็ดกลุ่มที่สี่หน้าอะไรนะกลุ่มที่สี่หน้าสองหกหนะึ่งกลุ่มที่ 4, ห้าล่ 5, นะ สองหกเก้าใช่ไหม <24. S 1> ไม่ใช่หน้าสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยกลุ่มที่หกพระเนี่ยหน้าหน้าสองร้อยหกสิบหกเนี่ยกลุ่มที่ห้าสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยกลุ่มที่หกกลุ่มที่กลุ่มอะไรข้อที่เท่าไหร่นะนะ กลมที่แปดหน้าสองเก้าสองเจ็ดหรือแปดเจ็ดนะสองเก้าสองแล้วก็หน้าสองเก้าห้ามีหลายหลายหลายที่นะยังมีข้างหน้าต่อไปอข้างหน้ามีอีกไหมที่เน้นเรื่องศีลสมาธิและปัญญาไม่มีแล้ว นะมีแปดเ้าแห่งหนะ้าที่ที่พระองค์ตรัสเอาไว้เนี่ยนะว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะยกมาในมหาปริญนิพานสูตรแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดมีเท่านี้อันนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะหนึ่งสูตรว่าศีลสมาธิปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากแม้กระทั่งว่าในสูตรก่อนหน้านี้ที่พุทธพจน์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยวิมุตติอันเป็น อริยะเนี่ยนะอริยะรรสี่ประการอันนี้ก็นับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากเลยนะฝันศรรีลสมาธิปัญญาเมื่อจําแนกแสดงออกไปแล้วก็คือโพธิปักขยธรรมทั้งหลายนั่นเองเยนะคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถจะย่อ ก, ก็ได้ขยายก็ได้นั่นเองเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะี่ย